ดีแต่ป า, ากว่าสอนเขาอื่นมีดาดดึงเหลือลักนักไม่ไหวอบรมจนเองฝึกตนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราทําได้จริงจะดีกว่าดิมบัดนี้คนใดรู้เรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาสอนกันก็ดีก็ไม่สอนเป็นจุดหมายปลายทางมันจุดเดี้ยกันคือจุดที่จะมาแก้ปัญหาตัวเองนี่สำคัญมาแก้ปัญหาตัวเองไม่ให้มีทุกข์แล้วกัได้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 ตัวทุกคนเป็นตัวตาัวพุทธศาสกนาหมายถึงตัวทุกคนเอีกแ้วคือตัวสติตัวสมันิตัวปัญญาของทุกคนนั่นแหละตัวสติตทำไม่ต้องพูดถึงทำไมจึงไม่พูดถึงสติคนระลึกได้เอาของวางไว้ว่า น, นี้ระลึกถึงอันนั้นไม่ใช่เป็นสติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ไม่ใช่เอันนั้นมันเป็นสติธรรมดาเนี่ยระลึกอ่า น, นั่งได้ระลึกอันนี้ได้เด็กๆระลึกนนได้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 คนร่าายกับใจมันทุกตอนนี้สัตว์เนี่ยสัตว์มันก็ทุกข์เพราะผคิดคนก็ทุกข์เพราะผมคิดทุกข์เพราะเรื่องอะไรมันคิดออกมากข้างนอกเราไม่เห็นมันคิดดีใจเสียใจคิดพอใจไม่พอใจมันออกมาข้างนอกนะมันไม่อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราถ้ามันอยู่ที่เนื้อที่ตัวเรามันจะได้หวั่นเราลู่เข้าฐานเหตุการู้โดยธรรมะเข้าใจ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 มันมันนานแล้วเด็กเพกเดียวเท่านั้นเองกลางวานันสิบสองชัวโมงค่ำแล้วห้าหกชัวโมงไปแล้วไม่ทันเส็บเลยงานเนี่ยจริเพราะเราอยู่ดีมีแรงทํางานอะไรมันก็เลวเข้ากลางวันกลางคืนแบบนีน้นอนไปจนหิวนอนไม่พอเลยอย่างที่อาจารย์มานนพูดว่าจะนอ น, น, อนแต่พักหน่อยนีเพื่อนเพื่มาคุยก็จะไม่ได้นอนก็นอนเพกเดียวเทน่ น, น, น, น, ทนี้นเองเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็สว่ า, า, วางขึ้นมาเดี๋ยวก็ไป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 ก็ดีแต่ปากว่าสอนเขาอื่นมือดาดดึงเหลือลักนักไม่ไหวตบลมจนเองสุกจนเองบ้างไหมสอนคนอื่นได้เราทําได้จริงจะดีกว่เาเดิมคำพูดของคนโบราณในบ้านหลวงพ่อพวกกัน่สอนอ เ, เล่นแต่ไม่ได้ดูเรื่องนี้ ม, มากมักคือเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงคนแบบทุกมักคือเรารู้สึกนี้เองถ้าเราไม่มีคนรู้สึกมักนจะมีมากได้ไง มักจึงเป็นข้อปฏิบัติงานปฏิบัติจริงเป็นการปฏิบัติตัวเราทุกคนต้องปฏิบัติตัวเราแปลว่าศาสนาพุทก็ได้แปลว่าศาสนาชิชก็ได้เปลว่าศาสนาอะไรได้น่งเนเรื่องสมบูรณ์ยอสมมุติดีมากยิ่งใบไม้ในป่าจะมาเปรียบเทียบใบไม้กับมือเดียวไม่ได้ถือศาสนากอได้ก็ต้องปฏิบัติอันนี้จึงจะเป็นมักจริงๆมักจึงเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงคนดับทุกข์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 มันผลออกมากระทุมักเป็นข้อประเด็จมักกับคูณผลรู้สึกนี่เองท่านว่าจงมีสติจงมีสติขณะผลทุ น, นจะรู้สติก็ได้รู้สึกนี่ถ้าไม่สติแล้วไปยังไงพ้นไปจากผลทุกอันสติเราผู้ได้มันมาเอาผลรู้สึกมันจะเป็นมักอันมักกับสติเป็นอันเดียวกันในพุทสธ้รมคนไม่มีมักก็ไม่มีสติ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 ถ้าแม่เป็นนักเล้วไปคิดเอาเองก็ได้เลยไม่ต้องให้คนอื่นสอนสถ้าเราลืมตาได้ไปเนี่ยเอาเดินข้ามถนนก็ดีถ้านั้นหลัตาดูมันลดชนจริงๆหลักตาขานถนนไม่ได้เ น, นี่เป็นไหถ้าเราลืมตาขานถนนได้หถ้าเราลืมตาเดินไปคนจะ ม, มาช่วเอาสร้อยคอล้วอ่ะไม่ใช่สร้อยคอของคุณนะเดือกเรียกตำรวจมาจาับเลยเรามีเงินยะเนี่นัน่งอยู่เดือดลังจะซื้อของขายของแล้วก็มีอาวุธปืนอีกสัเดือนเอาไปคุณถูกที่ตงนั้น